คิริมานันทสูตรว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์หกสิบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินธิกะเศรษฐีเขต ก, กรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็น่ข้หนัก ท่านพระอนนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมานนอาพาธได้รับทุกข์เป็น่ายหนักขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมท่านพระคิริมานนยังที่อยู่เถิด พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาโนนถ้าเธอเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา1ิประการแก่คิริมาโนนภิกษุเป็นไปได้ที่การอาพาธของคิริมาโนนภิกษุจะสงบประงับโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา1ิบประการนี้สัญญา1ิบประการอะไรบ้างคือ 1. นอนิจจะสัญญาสอง อนัตตสัญญา 3. าอสุภาสัญญา 4. อาธีนวะสัญญา 5. ปหาณะสัญญา 6. วิราคาสัญญา 7. นิโรธสัญญา 8. สัพพโลเกอนาพิรตตะสัญญา 9. สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาส0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 เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายที่เป็นภายในและภายนอกหประการนี้อยู่อย่างนี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอสุภาสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินายนี้พิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป ตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปได้ของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเยื่อในกระดูไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ดีเสลิดหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้อยู่อย่างนี้นิวเรียกว่าอสุภาสัญญาอาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินายนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่ากายนี้มีทุกขมากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอ า, าพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศรีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟัน โรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่อมซึมโรคท้องโรคลมสลบโรคลงแดงโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรือนโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอกโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุตตราช โรคหูโรคละอองบวมโรคอาเจียนเป็นเลือดโรคดีโรคเบาหวานโรคเรืมโรคผุพองโรคฤทธิ์ีดวงอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีสเสลิเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐานอาพาธมีไข้ส น, นิบาตเป็นสมุดฐาน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 ไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นและบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เรียกว่าปหานสัญญา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 ความสิ้นไปแห่งตันหาความดับนิพพานนี้เรียกว่านิโรธสัญญาสัพพโลเกอนะพิรตสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุปทานในโลกที่เป็นเหตุตั้งมั่นยึดมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิตงดเว้นไม่ถือมั่นนี้เรียกว่าสัพพโลเกอนะ พิรตตะสัญญาสัพสังขารสุอนิจจะสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดระอารังเกียจในสังขารทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพสังขารสุอนิจจะสัญญาอานาปานาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี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 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสาสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออกสสำเนีกว่า จะระงับกาย ส, ส, ส, สังขารหายใจเข้าสําเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก5สําเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสําเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก6สําเนียกว่ารู้ชัดสุขหายใจเข้าสําเนียกว่ารู้ชัดสุขหายใจออก เจ็สําเนียกว่ารู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสําเนียกว่ารู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกแสําเนียกว่าระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสําเนียกว่าระงับจิตตสังขารหายใจออกเก้าสําเนียกว่ารู้ชัดจิตหายใจเข้าสําเนียกว่ารู้ชัดจิตหายใจออก ส0สําเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสําเนียกว่าจะยังจิตไว้บันเทิงหายใจออก 11. อสําเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสําเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สอําเนียกว่าจะเพลื้องจิตหายใจเข้าสําเนียกว่าจะเปลื้องจิต หายใจออกสิบสามสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสิบสี่สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสิบห้า สาเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก16สําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกนี้เรียกว่าอน า, าปานสติ ถ้าเธอจะพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการนี้แกคิริมานนภิกษุเป็นไปได้ที่อ า, าพาธของคิริมานนภิกษุนั้นจะระงับไปโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ครั้งนั้นแหละท่านพระอานนนได้เรียนสัญญาสิบประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเข้าไปหาท่านพระคิริมานนถึงที่อยู่ กล่าวสัญญาสิบประการนี้แก่ท่านพระคิริมานนขณะนั้นเองอ า, าพาธของท่านพระคิริมานนสงบประงับลงโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ท่านพระคิริมานนได้หายขาดจากอ า, าพาธนั้นอ า, าพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคิริมานนละได้อย่างนี้แลคิริมานานทสูตร ที่สิบจบสจิตวักษษษษที่หนึ่งจบ